ชาตปัจจัยมสอสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยสหชาตาปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยสหชาตาปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสหชาตาปัจจัยปัจจัยนี้เหมือนกับปฏิจจวาระสหชาตาปัจจัยมีสิจวาระ อัญญมัญญปัจจัยและนิสยปัจจ <LAUGHING> um, ัยมสสองสภาวธรรมที่สหรตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรตด้วยปีติโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยปัจจัยพึงเพิ่มเป็นสิกวาระอุปนิสยปัจใจสามสสาสภาวธรรมที่สหรตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรตด้วยปีติ โดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปาณิสยาอ น, นันตารูปาณิสยะและ ป, ะก ะ, ป, ป, ะ, ปะกะตูปนิสยะปะกะตูปนิสยะได้แก่บุคคลมีจิตส่อรคตด้วยปีติอาศัยศรัทธาที่สอรคต ด, ด้วยปีติแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่สอรคต ด, ด้วยปีติให้เกิดขึ้นทำวิปัสนาให้เกิดขึ้นทำาร์คให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้น มีมาน a เถอทิฐิมีจิสหรตด้วยปีติอาศัยศีลที่สหรคตด้วยปีติสุตะายาคะปัญญาแล้วให้ทานสมาทานศีลมีมาน a เถอทิฐิมีจิสหรตด้วยปีติอาศัยยาคะที่สหรคตด้วยปีติโมหะมา n ะทิฐิความปรารถนาแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถ ทำฌานที่สรคตด้วยปีติให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสอรคตด้วยปีติรักซับผู้เท็จผู้ส่อเสียดผู้เพ้อเจอ้องัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักจี้ในทางเปลี่ยวล่วงเกินพัญญาผู้อื่นฆ่าชาวบ้านฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สอรคตด้วยปีติศีล ส, สุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิ ความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติศีลสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฏฐิความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตะรูปาณิสยาและปกรตูปนิสย ประกะตปานิสยะได้แก่บุคคลมีจิตสหรตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะเถรทิฐิมีจิตสหรตด้วยสุขอาศัยศีลที่สหรตด้วยปีติสุตะจาคะปัญญาราคะโมหะมานะทิฐิความปรารถนาแล้วให้ทานทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสหรตด้วยสุขรักทรัพย์ ข้าชาวนิคมศรัทธาที่โสรคตด้วยปีติความปรารถนาเป็นปัจ <học> จัยแก่ศรัทธาที่สหรคตด้วยสุขความปรารถนาและกายวิญญาณที่โสรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่โสรคตด้วยอุเบกขาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันตรูปาณิสยและปะกระตูปาณิสยา ประกตัปานิชยะได้แก่บุคคลมีจิตโสระคดเวเบคาอาศัยศรัทธาที่โสรคตด้วยปีติแล้วให้ทานทำอภิญญาให้เกิดขึ้นทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะเธอทิฏฐิมีจิตโสรคคดเวเบคาอาศัยศีลที่โสรคตด้วยปีติความปรารถนาแล้วให้ทานฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่โสรคตด้วยปีติ ความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สอรคตด้วยอุเบกขาความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สอรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สอรคตด้วยปีติและที่สอรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยาอนันันตารูปรนิสยและปะกาตูปนิสยาปะการตูปาณิสยาได้แก่ บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สรคตด้วยปีติแล้วให้ทานถือทิฏฐิมีจิตสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยศีลที่สรคตด้วยปีติความปรารถนาแล้วให้ทานฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สรคตด้วยปีติความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุข ความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสามสิบสี่สภาวธรรมที่โสรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่โสรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณู ป, ปนิสยาอนั น, นตรูปาณิสยะและ ป, ก ป, ปะปกะตูปนิสยะปะกฏตูปาณิสยะได้แก่ ع. บุคคลมีจิตโสรคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่โสรคตด้วยสุขแล้วให้ทานละถึง เธอทิฏฐิมีจิตสหรคตด้วยสุขอาศัยศีลที่สหรคตด้วยสุขละถึงความปรารถนาและกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานละถึงข้าชาวบ้านศรัทธาที่สหรคตด้วยสุขความปรารถนาและกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรคคด้วยสุขความปรารถนาและกายวิญญาณที่สหรคคด้วยสุข โดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนิสยาอันันตรูปปาณิสยาและปกรตูปาณิสยากระตูปาณิสยะได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยปีติอาศัยศรัทธาที่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานเธอทิฏฐิมีจิตสหรคตด้วยปีติ มาใสศีลที่สหรคตด้วยสุขความปรารถนาและกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานข่าชาวนิคมศรัทธาที่สหรคตด้วยสุขความปรารถนาและกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติความปรารถนาโดยอุปนิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุข เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรตด้วยอุเบกขาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนณิสยาอนันตารูปาณิสยาและปะกะทูปนณิสยาปะกะทูปาณิสยาได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยอุเบกขาอาศั ย, จจ ย, ยออรศยรัทธาที่สรคตด้วยสุขแล้วให้ทานทำอภิญญาให้เกิดขึ้นเธอทิฏฐิมีจิตสหรตด้วยอุเบกขาอาศัยศีลที่สหรตด้วยสุข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 โดยอุปาณิสยาปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปาณิสยะอันันตารูปปาณิสยะและปะกะตูปนิสยะปะกะตูปาณิสยะได้แก่บุคคลมีจิตสหรตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สหรตด้วยสุขแล้วให้ทานเถือถทิฏฐิมีจิตสหรคตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขอาศัยศีลที่สหรตด้วยสุขความปรารถนาและกรารยวิญญาณ ที่สหรคตด้วยสุขแล้วให้ทานข่าชาวนิคมศรัทธาที่สหรตด้วยสุขความปรารถนาและกายวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัย 35. สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขา อุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปัณิสยะอนันตะรูปัณิสยะและปะกะตูปัณิสยะปะกะตูปัณิสยะได้แก่บุคคลมีจิตสเราคดูอุเบกขาอาศัยศรัทธาที่สรคดูอุเบกขาแล้วให้ทานทำอภิญญาให้เกิดขึ้นเธอทิฏฐิมีจิตโสรคดูอุเบกขาอาศัยศีลที่สเรคดูอุเบกขาความปรารถนาแล้วให้ทานฆ่าชาวนิคม ศรัทธาที่สระคดูเบกขาความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สระคดอเบกขาความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่โสระคดูเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สรคตด้วยปีติโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิสยอนันตารูปปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่ บุคคลมีจิ uh ตาสหรต ด, ด้วยปีติอาศัยศรัทธาที่สหรตด้วยอุเบกขาแล้วให้ทานเธอทิฏฐิมีจิตสหรตด้วยปีติอาศัยศีลที่สหรฆด้วยอุเบกขาความปรารถนาแล้วให้ทานข่าชาวนิคมศรัทธาที่สหรฆด้วยอุเบกขาความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรตด้วยปีติความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สหรฆด้วยอุเบกขา เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่โสรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปาณิสยะอนันตารูปาณิสยะและปกะตูปนิสยะปะกะตูปนิสยะได้แก่บุคคลมีจิตโสรคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สรคตด้วยอุเบกขาแล้วให้ทานเธอทิฏฐิมีจิตโสรคตด้วยสุขอาศัยศีลที่สรคดด้วยอุเบกขาความปรารถนาแล้วให้ทาน ขาชาวนิคมศรัทธาที่โสรคตด้วยอุเบกขาความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัธทธาที่สหรคตด้วยสุขความปรารถนาและกลายะวิญญาณที่สหรคตด้วยสุขโดยอุปาณิยัปปัจจัยสภาวะธรรมที่โสรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่โสรคตด้วยปีติและที่โสรคตด้วยสุขโดยอุปาณิยัปญญญปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปาณิยันันตะรูปาณิยัป และปะกะตูปานิจยะปะกะตูปะนิจยะได้แก่บุคคลมีจิตโสาราคตด้วยปีติและที่สาราคตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่โสาราคดด้วยอุเบกขาแล้วให้ทานเธอทิฏฐิมีจิตสาราคตด้วยปีติและที่โสาราคตด้วยสุขอาศัยศีลที่โสาราคตด้วยอุเบกขาความปรารถนาแล้วให้ทานข่าชาว น, นิคมศรัทธาที่โสาราคตด้วยอุเบกขาความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่ศัทธาที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัย 36. สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอุปาณิสยปัจจั ย, จยมีสามอย่างคืออารมณูปาิสยอนันตะรูปาิสยและปะกะตูปาิสย ประตูปณิจยะได้แก่บุคคลมีจิตสรคตด้วยปีติอาศัยศรัทธาที่สอรคตด้วยปีติและที่สอรคตด้วยสุขแล้วให้ทานเถรทิฐิมีจิตสอรคตด้วยปีติอาศัยศีลที่สอรคตด้วยปีติและที่สอรคตด้วยสุขความปรารถนาแล้วให้ทานฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สอรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขความปรารถนา เป็นปัจจัยแก่สรัทธาที่สหอรคตด้วยปีติความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรคดด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออรมาโนปนิสยอันันตรูปานิสยาและปะกะตูปนิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยสุข อา er ศอา er ัยศรัทธาที่สห ian, สสรกตดด้วยปีติและที่สหรคตด like ด้วยสุขแล้วให้ทานเธอทิฏฐิมีจิตสหรกตดด้วยสุขอาศัยศีลที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรกตด้วยสุขความปรารถนาแล้วให้ทานข่าชาวนิคมศรัทธาที่สหรกตด้วยปีติและที่สหรกตดด้วยสุขความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรกตด้วยสุขความปรารถนาและกายวิญญาณ ที่สหรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออราเมนูปาณิสยอนันตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติ และที่สหรตด้วยสุขแล้วให้ทานทำอภิญญาให้เกิดขึ้นเธอทิฏฐิมีจิตสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยศีลที่สหรตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขความปรารถนาแล้วให้ทานฆ่าชาวนิคมศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรคตด้วยอุเบกขาความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัย สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารมาโนปัณิสยะอนันตรูปปัิสยะและปกะตูปัณิสยะปะกะตูปัณิสยะได้แก่บุคคลมีจิตสหรตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขอาศัยศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติ และที่สรคตด้วยสุขแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบโสถทำฌานที่สรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาทำมัจทำสมาบาร์ให้เกิดขึ้นมีมา n ะเถือทิฏฐิมีจิตสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขอาศัยศีลที่สสรคตด้วยปีติและที่สรคตด้วยสุขสุตตะจาคะปัญญาราคะ โมหะมานะทิฐิความปรารถนาแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขวิปัสสนามะสมาบัติให้เกิดขึ้นมีจิตสหรคตด้วยปีติและที่โสรคตด้วยสุขลักซักผู้เท็จผู้โอเสียพูดเพิรเจอร์งัดแงะปล้นไม่ให้เหลือปล้นเรือนหลังเดียวดักขี้ในทางเปลียว ร่วงเกินพัญญาผู้อื่นค่าชาวบ้านค่าชาวนิคมศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขความปรารถนาเป็นปจัจจัยแก่ศรัทธาที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัย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 โคตรภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทานเป็นปัจจัยแก่มรรคโดยอาเสวณะปัจจัยสภาวธรรมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สรคตด้วยสุขโดยอาเสวณะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สรคตด้วยปีติซึ่งเกิดส่วนก่อนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังหลังโดยอาเสวณะปัจจัยอนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โคตรภู ที่สหรตด้วยสุขโดยอาเัยวณัจจัย อ, อนุโลมที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่โวทานที่สหรตด้วยสุขโดยอาเสยวณัจจัยโพตรภูที่สหรตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่มักที่สหรตด้วยสุขโวทานที่สหรตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่มักที่สหรตด้วยสุขโดยอาเสยวณัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรกรด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอาเสวณปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติซึ่งเกิดฝนกรเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขซึ่งเกิดหลังๆโดยอาเสวณปัจจัยโวทานที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่มรรคที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอาเสวณปัจจัย สามสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอาศัวณปัจจัยย่อพึงดูนัยยะแห่งปีติแล้วเพิ่มเถิดสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เจรคตด้วยอุเบกขา Umn. โดยอาเสวณัปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรฆดุอุเบ uh ิขาซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรตด้วยอุเบิขาซึ่งเกิดหลังๆโวทานที่สหรฆดุดูเบกขาเป็นปัจจัยแก่มรรคที่สหรฆดุดูเบกขาโดยอาศัวณัปัจจัย39สภาวธรรมที่สหรตด้วยปีติและที่สหรตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุโดยอาเสวนาปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรูปด้วยสุซึ่งเกิดกลอนกลอนเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรูปด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุซึ่งเกิดหลังหลังโดยอาศิวนาปัจจัยโวทานที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุเป็นปัจจัยแก่มรรค ที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอาศัวณัปจัใจก ร, รมปัจจัย40สภาวธรรมที่สหรคปด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคเนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมพยุติขันโดยกรรมปัจจัย ในปฏิสนธิขณะเจตนาที่สรครตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขนันโดยกรรมะปัจจัยนานาคณิภะได้แก่เจตนาที่สรครตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ขนันที่เป็นวิปากซึ่งสหรครตด้วยปีติโดยกรรมะปัจจัยสภาวะธรรมที่สหรครตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่สหรครตด้วยสุขโดยกรรมะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและนานาคณิกะ สหชาตะได้แก่ er เจตนาที่สหรคตด้วยปีต yes. ิเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันที่สหรคตด้วยสุขโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนทิขณะเจตนาที่สรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันที่สหรคตด้วยสุขโดยกรรมปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากซึ่งสหรคตด้วยสุขโดยกรมมปัจจัย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 โดยกรรมปัจจัยมีสองอย่างเผสหชาตะและนานาคณนกะสหชาตะได้แก่เจตนาที่สห ร, รคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยกรรมปัใจจัยในปฏิสนธิขณะนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นมิบากซึ่งสหรคตด้วยปีติ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 สภาวธรรมที่สหรคดด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สหรคดด้วยอุเบกขาสภาวธรรมที่สหรคดด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สหรคดด้วยอุเบกขา สภาวธรรมที่สหรคดด้วยเบิขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยกรรมปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่สหรคดด้วยเบิขาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติพึงเพิ่มเป็นสีวาระผู้รู้พึงจำแนกสภาวธรรม ที่สหรคตด้วยปีติวิปากับปัจจัย่สสาสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิปากซึ่งสหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาโดยวิปากับปัจจัยขันธ์หนึ่งเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองในปฏิสนธิขณะขันธ์หนึ่งที่สหรูปด้วยปีติ เป็นปัจจัยแก่ขันสามขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองพึงขยายวาระทั้งสิบให้พิจารเหมือนเหตุปัจจัยในปฏิจจวาระอาหาระปัจจัยเป็นต้นสีสบสสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอาหาระปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรีย์ปัจจัยเป็นปัจจัยโดยชานะปัจจัย เป็นปัจจัยโดยมรคราปจัยเป็นปัจจัยโดยสัมปยุตตะปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาถิปัจจัยพึงขยายวาระทั้งสิบให้พิจารเป็นปัจจัยโดยนัตติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยวิคตะปัจจัยนัตติปัจจัยและวิคตะปัจจัยเหมือนกับอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตะปัจจัย ปัจยานุโลม 2. สังคยาวาระสุทไนศนย์สเหตุปัจจัยมีสิบวาระอารมณะปัจจัยมีสิบหวาระอธิปติปัจจัยมีสิหกวาระสมนันตระปัจจัยมีสิบหวาระสหชาติปัจจัยมีสิบวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสิบวาระนิะจญาปัจจัยมีสิบวาระปูปานิจญาปัจจัยมีสิบหกวาระ อาเสวนปัจ right ัยมีสิบวาระกรมปัจัยมีสิบหกวาระวิปากปัจัยมีสิบวาระาหารัปัจัยมีสิบวาระอินทรียปัจัยมีสิบวาระชาณะปัจัยมีสิบวาระมัคคปัจัยมีสิบวาระสมปยุตตปัจจัยมีสิบวาระอธิปัจัยมีสิบวาระนัธิปัจัยมีสิบหกวาระวิคตะปัจัจมีสิบหกวาระ อวิคตาตัจัยมีสิบวาระผู้รู้พึงนับอนุโลมกุสลลิกะอนุโลมจบสองปัจจนียุทธาระสี่สิบหกสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอารมณปัจจัยสหชาตาปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติ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 โดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสีสเจสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอารมณปัจจัย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 อุปาณิสยาปัจจัยและกรรมะปัจจัย48สภาวธรรมที่สหรตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรตด้วยอุเบกขาโดยอารมณปัจจัยสหชาตะปัจจัยอุปณิสยาปัจจัยและกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่สหรตด้วยอุเบกขาเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติโดยอารมณปัจจัยอุปณิสยปัจจัยและกรรมะปัจจัย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 สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที to ia, to am, dating, ah, family, April, ่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคปด้วยอุเบกขาโดยอารามณปัจจัยอุปนิสยปัจจัยและกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สหรคตด้วยปีติและที่สหรคตด้วยสุขโดยอารามณะปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปนิสยปัจจัย และกรรมะปัจจัย 2. ปัจจยะปัจจนิยะ 2. สังขยาวาระสุทไนัย5สน่เหตุปัจจัยมีส6บหกวาระนาอารรมะปัจจัยมีส6หวาระ ณอธิปติปัจจัยมี16วาระณอนันตระปัจจัยมี16วาระณสมณันตระปัจจัยมี16วาระณสหชาติปัจจัยมี16วาระณอัญญมัญญปัจจัยมี16กวาระณนิจยปัจจัยมี16วาระณอุปนิจยปัจจัยมี16วาระณปุเรชาติปัจจัยมี16กวาระณปัจจาชาติปัจจัยมี16วาระ ณอาศวณัปัจมีสิบหกวาระณกรรมปัจจัยมี16วาระณวิปากปัจจัยมี16วาระณอาหาระปัจจัยมี16วาระณอินทรียะปัจจัยมี16วาระณชานะปัจจัยมี16วาระนมขะปัจจัยมี16วาระณสัมปยุตตปัจจัยมี16วาระณวิปยุตตะปัจจัยมี16กวาระโนอัติปัจจัยมี16กวาระ โนนัตถ์ปัจัยมีสิบหกวาระโนวิคตะปัจจัยมีสิบหกวาระโนอวิคตาปัจจัยมีสิบหกวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบหกวาระผู้รู้พึงนับปัจจนิยะปัจจนิยะจบสปัจญานุโลมปัจจนิยะทุกกระในห้าสิบเอ็ดนอารมณปัจจักะเภตุปัจจัยมีสิบวาระ ณอธิปติปัจจัยละถึงมีสิบวาระณอนันตระปัจจัยมีสิบวาระณสมนันตระปัจจัยมีสิบวาระณอุปาณิชยปัจจัยมีสิบวาระณปุเรชาตะปัจจัยมีสิบวาระณปัจฉาชาตะปัจจัยมีสิบวาระณอเสวณปัจจัยมีสิบวาระณกรมมปัจจัยมีสิบวาระณวิปากปัจจัยมีสิบวาระ นอาหารปัจจัยมีสิบวาระนอินทรีย์ปัจจัยมีสิบวาระนาชาณะปัจจัยมีสิบวาระนมัคคะปัจจัยมีสิบวาระนวิปยุตตปัจจัยมีสิบวาระโนนัติปัจจัยมีสิบวาระโนวิคตะปัจจัยมีสิบวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละสิบวาระผู้รู้พึงนับอนุโลมปัจญิยอนุโลมปัจญิยจก สปัจยปัจนิยานุโลมทุกขในห้าสอารมณปัจจัยกับนเหตุปัจจัยมี16วาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสิหกวาระอนันตระปัจจัยมีสิหกวาระสมนันตระปัจจัยมี16วาระสหชาตปัจจัยมีสิบวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสิบวาระนิสิยปัจจัยมีสิบวาระ อุปาณิสยปัจจัยมีสิหกวาระอาเสวนปัจจัยมีสิบวาระกรรมปัจจัยมีสิหกวาระวิปากปัจจัยมีสิบวาระอาหารปัจจัยมีสิบวาระอินทรียปัจจัยมีสิบวาระชานะปัจจัยมีสิบวาระมัคคะปัจจัยมีสิบวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสิบวาระอธิปัจจัยมีสิบวาระนัธิปัจจัยมีสิหกวาระ วิคตะปัจจัยมีสิบหกวาระอ ว, วิคตะปัจจัยมีสิบวาระผู้รู้พึงนับปัจจนินญานุโลมปัจจนินญานุโลมจบปีติดิกะจบ